เดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สามวันที่สามถึงเจ็ดบ่มกำลังเหมือนฉันกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่มีชีวิตประจำวันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและจิตฉันก็ปรากฏเป็นสิ่งผิดแพกคือฉันมองจิตตัวเองเสมือนเป็นกระจกใสให้คอยระวังฝุ่นละอองหรือขี้เท่าที่เข้ามาเกาะตลอดเวลา ธรรมดาเราใช้ไม้ขนไก่คอยปัดฝุ่นไม่เห็นละอองปรากฏจับกระจกถ้าฝุ่นเพิ่งปลิวมาเกาะเพียงเล็กน้อยแค่ปัดแผ่วๆฝุ่นก็หายไปความใสสะอาดของกระจกก็ปรากฏเต็มบานดังเดิมฉันใดฉันนั้นเราใช้สติคอยตามรู้ฝ้าหมอกกิเลส ท, ที่มาจับจิตหากกิเลสเพิ่งรั่วมาเกาะจิตเพียงนิดหน่อยแค่กำหนดสติรู้ว่าขณะนั้นนั้น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 ความจริงแค่ลำบากตอนเหยียบเยียบจับจับหินร้อนเพื่อปลายเปลี่ยนขึ้นสู่ยอดนิดหน่อยแต่พอถึงยอดก็มีร่มไม้ใบบางพออาศัยนั่งพอสบายแล้วการเดินจงกรมฉันอาศัยชายหาดไม่ค่อยได้เพราะผัดสะระหว่างเท้ากับทรายจะเป็นลักษณะจมไม่ค่อยก่อให้เกิดสติรู้เท้าชัดแบบเหนียวนำให้เกิดความรู้ทั่วพร้อม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 ในอักขิสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใดจิตหดหูเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั้นไม่ใช่โอกาสที่จะเจริญโพชงได้สองสาวันแรกฉันจึงมีธุระง่ายๆแค่สังเกตตามจริงว่าขณะใดนิ่งขณะใดเคลื่อนไปเป็นหดหูง่วงเหงาหรือฟุ้งซ่านรำคาญใจกับทั้งทำทุกวิธีทาง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 ก็มักดูเข้าไปที่ลักษณะง่วงหรือฟุง้งซึ่งมีระดับแปรปรวนมากขึ้นหรือน้อยลงต่างๆกันในแต่ละลมหายใจดูไปสิ2ถึงิบระลอกลมเข้าออกก็มักค่อยยังชั่วขึ้นเช่นลมแรกๆเห็นความง่วงมีลักษณะกดแรงๆเหมือนจะดันเราหัวทิ่มลงฟุบพอดูอีกทีในลมต่อๆมาแรงกดนั้นก็คลายลงทาให้เบลอๆชาๆ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 ฟุ้งมากหรือฟุ้งน้อยกว่าลมหายใจก่อนหน้าเมื่อหายฟุ้งแล้วแปลเป็นสภาพหดหูง่วงเหงาไปแทนหรือไม่การมีเวลาว่างทั้งวันเฝ้าดูสภาวะจิตอย่างเดียวนั้นโน้มน้อมไปทางฟุ้งและง่วงสลับกันไปสลับกันมาเป็นหลักอาศัยความเพียรในการนั่งสมาธิและเดินจงกรมก็ช่วยไม่ได้มากนะัก เพราะเมื่อนั่งหรือเดินได้ราวครึ่งชั่วโมงหรืออย่างเก่งหนึ่งชั่วโมงจิตฉันจะดิ้นรนไม่อยากนั่งหรือเดินต่อเสแล้วสองสามวันแรกจึงมีบ่อยครั้งที่อึดอัดทรมานอยากกลับกรุงเทพหรือไม่ก็ไปเปิดหูเปิดตาเที่ยวไหนเสบ้างแต่ฉันก็หาทางระบายความอึดอัดด้วยการอ่านหนังสือธรรมะที่พกมาหลายเล่มแทน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 คล้ายจิตเป็นม้าที่พยศน้อยลงมากกล่าวคือเริ่มรู้ลมหายใจได้ต่อเนื่องทำให้จิตส่งสภาพตั้งมั่นได้เรื่อยๆแม้ไม่อยู่ในที่นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมพอจิตตั้งท่าจะแปรเป็นฟุงหรือก่อวอร์จะดิ้นรนกลับกรุงเทพสติก็เท่าทันณนะเวลาที่พายุเริ่มก่อตัวแล้วกลับสงบสบายคล้ายไม่ไหวติงต้องสังเกตจริงๆ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 แม้หมุนก็อืดอาดหรือมีเสียงคลื่คราดน่ารำคาญแต่หากมีความเบิกบานในสมาธิเป็นน้ำมันหล่อลื่นแล้วมอเตอร์หมุนสติจะทำงานคล่องแคล่วว่องไวไม่ใช่หมุนแบบไม่เต็มใจผลของการมีสติรู้สภาพจิตเป็นอัตโนมัติได้เสมอเสมอคือจิตปรากฏเป็นกระจกที่ใสเด่นขึ้นเรื่อยๆที่นึกว่าใสาแล้ว ยังมีใสได้ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกเพราะเรื่องความใสของจิตเนี่ยพูดกันได้ยาวมีทั้งใสแบบวอบแวบเหมือนอุปาทานไปเองและกลับหมุนมัวอย่างรวดเร็วมีทั้งใสแบบรู้แช่แช่ด้วยความปลื้มอยู่กับความใสโดยไม่ตระหนักว่าตัวปลื้มนั่นก็เป็นหนึ่งในโมหะแต่กว่าจะรู้จักจิตที่ใสเหมือนแผ่นน้าแจ่มกระจ่าง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 ยิ่งกว่าการทราบชัดว่าจิตทรงอยู่ในสภาพใดแล้วแปรไปเป็นสภาพใดจึงกล่าวได้ว่าองค์ที่สามของโพชชงคือวิริยะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอด้วยความพึงใจนั่นเองถึงจุดหนึ่งที่อิ่มเอิบและเบิกบานโลกภายในและโลกภายนอกดูโล่งแจ้งไปหมดฉันก็ตัดสินว่านั่นคือองค์ที่สี่ของโพ่ชง ทำให้กายของฉันสงบระงับแต่ความสงบระงับกายขณะเฝ้าสังเกตสภาพจิตนั้นจะไม่ให้เห็นกายโดยความเป็นอิริยาบถคือกายปรากฏคล้ายแก้วใสมีขอบเขตสันธานเพียงรางเลือนเป็นบางขณะบางขณะก็เหมือนวัตถุปโปร่งแสงที่ไร้รูปประพันธ์สันธานไปเลยเหลือแต่สภาพจิตอย่างเดียว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 ก็คือจิตชนิดหนึง่งผลละจิตก็คือจิตชนิดหนึ่งไม่ได้เป็นตัวเราในวินาทีนี้สักหน่อยก็ตัวเราในวินาทีนี้ยังไม่มีมีแต่สภาพจิตที่เดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็แสใสายแล้วจะไปหวังเอาสภาพจิตอื่นมาเป็นรางวัลให้ใครเมื่อจิตหยาบ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 ในหมวดจิตดีๆรู้จักจิตประเภทต่างๆทั้งต่ำและสูงทั้งหยาบและประนีดมีแต่ความเห็นว่าสภาพจิตหนึ่งเกิดแล้วต้องเคลื่อนจากความเป็นเช่นนั้นไม่เพลินเผลอ ล, ลงไปว่าสภาพจิตใดน่า ย, ยินดีควรแก่การปราบปลืม้มอุเบขาในโพชงเกิดขึ้นเพราะความเห็นอนิจจังบ่อยจนชินไม่ใช่เกิดขึ้น เพราะจิตตั้งมั่นวิเศษสุดแล้วแต่อย่างใด